ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19ใเมษายนสอ5พายมีชื่อเรื่องว่าอดีตกรรมของพระติสระปิดไฟในกอง ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่หลวงพ่อที่ว่าไฟไม่สองตานั่งภาวานามันจะจิตใจสงบดีแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่เห็นใครที่สับงบนะบางทีอาจจะสบะงบ ก, ก็ได้เพราะนั้นถ้าเปิดไฟนะจะเห็นได้นะหลวงพ่อว่านะแล้วปิดไฟนจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ปิดไฟไ้ก่อนแต่ตามจริงเปิดไฟอาจจะดีก็ได้นะ หลวงพ่อเองก็พยายามจะเร่งหรือว่าเร่งเร้าให้อยากให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายได้รับการศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คล้ายๆกขาไวยัดเยียดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่บางครั้งเขาเป็นห่วงอีกเหมือนกันถ้าเรา เอาเข้ามากเกินไปมันจะทําให้เอือมละอาหรือว่าเบื่อหน่ายในการได้ยินได้ฟังไปอย่างนั้นหรือเปล่าหลวงพ่อก็ต้องได้คิดเอาแนวความคิดมากหลากหลายอย่างทั้งชาดกทั้งนิทานทั้งแนวความคิดจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายได้ยินเพื่อเป็นแนวความคิด ถ้าหากว่าเราจะพูดแต่เรื่องธรรมะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องเรื่องปิปัตสนาเรื่องด้านจิตใจโดยตรงหรือโดยเฉพาะก็ <c oughs> ทำให้พวกเราฟังไปแล้วมันก็แต่ตามไม่ดีดีหดีดีมากๆแต่ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่แต่ฟังเข้าไปแล้ว อาจจะมันเหมือนกับอะไรยาไม่ถูกกระเพาลักษณะอย่างนั้นตรงพ่ อ, เ, อเคยได้สังเกตเพราะนั้นหลวงพ่อจึงวางยาขนาดอ่อนๆแล้วก็ขยับแข้งบ้างอ่อนบ้าง เ, าเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษ า, าเหมือนกับเราเลี้ยงลูกอ่อนลักษณะอย่างนั้นอะ่ะท้าวว่าพ่อแม่ เลี้ยงลกูกถ้าเราเอาของแข็งหรือเอาของอะไรให้ลูกกินลูกก็ไม่มีไม่มีฟันไม่มีความสามารถที่จะกินได้กับผลที่สุดก็เปล่าประโยชน์เพอเอเป็นพิษภัยอีกต่างหากพระนหลวงพ่อเองก็มองดูจุดนี้อีกเหมือนกันการที่จะให้การที่จะแนะนำทำคำสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ต้องได้คิดอีกว่าธรรมะเรื่องอะไรที่พวกเราจะรับได้แต่จะให้ถูกใจกับทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาศึกษาก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากแต่ถึงยังไงก็พยายามที่จะนำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่านำแนว แถวที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมามีประสบการณ์มาอย่างไรหลวงพ่อก็พยายามนำสิ่งที่มีประสบการณ์หรือได้ยินได้ฟังมาบอกกล่าวให้กับคณะลูกหลานคณะัตหาญาตโยมให้ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางคงจะเกิดประโยชน์ในความตั้งใจหลวงพ่อจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์จะพูดสิ่งนั้นจาะแนะนําสิ่งนั้นเพราะพวกเรามาแสวงหรือมาหาผลประโยชน์จากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังจากการประพฤติปฏิบัติจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าอีกต่างหากและก็พร้อมกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะให้แต่พวกเราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นตัวพวกเราต่อไปภายภาคหน้า เมื่อเป็นผู้ใหญ่เข้ามาในเข้าไปในชุมชนและสมาคมใดถ้าว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นที่เข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมคาสอนของอครูบาอาจารย์แล้วพวกเรานำไปบอกกล่าวแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ก็จะเกิดประโยชน์เป็นทอดๆดต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าธรรมะธรรมคสอนของพระพุทธศาสนา ไม่ได้อยู่ของไม่ได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งพระพุทธเจ้าวางไว้กับพุทธบริษัทสอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรในครั้งพุทธกาลมีอุบาสกเป็นผู้แสดงธรรมให้แก่หมู่พวกเพื่อนฟังก็มักมีมากต่อมากเพราะเหตุไรเพราะท่านได้เป็นพระอริยบุคคลพระอนาคามีแล้วในใจของท่านมีแต่แต่ธรรมมัท่านก็พร้อมที่จะแสดงธรรม บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้เหมือนกับพวกเราเกิดมายังไม่ได้เรียนหนังสืออย่างรุ่นพี่เขาเรียนหนังสือได้กอไก่ทึ่งหอนหกุ้กเขาก็พร้อมที่จะเขียนรุ่นน้องบอกรุ่นน้องให้รู้จักว่ากอไก่ถึงหอนหกุน้อเขียนอย่างไรรุ่นพี่ก็พร้อมที่จะบอกสอนได้จากนั้นเมื่อรุ่นพี่สอนแล้วรุ่นน้องก็สอนเดินตามปฏิบัติตาม ก็ได้ความรู้ความฉลาดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะให้แต่อาจารย์ขั้นประมาจารย์สอนอย่างเดียวถ้าท่านมีเวลาสอนได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาหล่ะเราจะไม่รับเลยเหร อ, เ, อ, อเราจะไม่รับจากคนอื่นเลยเหร อ, เ, อ, อเราก็ต้องพร้อมที่จะเปิดรับได้ถ้าเขาสอนได้มีความสามารถที่จะแนะนำเราได้เราก็พร้อมที่จะรับ ทำคําสอนจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้ท่านที่รู้กว่าอย่างหลวงพ่อเคยยกเสมอว่าพระอานนท์บวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ปณิบัติดูแลพระพุทธเจ้าแต่ท่านได้สําเร็จพระโสราบันท่านได้สําเร็จได้ฟังธรรมเทศนาจากพระมันตณีฮะพระมันตรณีบุตร สาระนะ ท, ทําไมถึงพร ะ, พระนอานน์จึงไม่ได้สําเร็จในการฟังจากพระพุทธเจ้านะก็น่าคิดอีกเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือการฟังและการได้ยินได้ฟังมันรวบเหมาะได้จังหวะคล้ายๆว่าฟังเขาแล้วเข้าใจแล้วก็ปล่อยพร้อมที่จะปล่อยวางในจุดนั้นนๆท่านก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลไป เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องตน้นคือพระโสดาบันจากนั้นท่านก็ได้บาเพ็ญเป็นระยะเ ว, ะเวลายาวนานจนครั้งสุดท้ายท่านจังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้คือท่านพระ อ, อ น, นตุตแต่องค์อื่นบางทีก็ได้มากไปเร็วบางบางองค์องค์สุดท้ายครั้งสุดท้ายจนหายใจเงือกสุดท้ายจึงได้สาเร็จ เจ็บไข้ได้ป่วยอีกต่างหากอย่างนั้นก็มีถ้าหาว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นพิษเห็นภยัยไม่เห็นโทษเอจนเจ็บไข้ได้ป่วยอร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราแท้ๆจากนั้นจึงทําใจปล่อยวางะปล่อยวางลงได้อย่างนั้นก็มีออย่างในครั้งพุทธกาล มีพระเถระท่านหนึ่งอยู่ในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารท่านองค์นี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษท่านไม่ได้โคกครีกับใครไม่ได้เข้าไปหาหมูพวกเพื่อนท่านจะอยู่ตามลําพังหรือว่าท่านจะปฏิบัติตามลําพังจะมากกว่าแต่ท่านก็เป็นพระปุตชล น, นะท่านยังไม่ได้สําเร็จมกักสําเร็จผลขั้นไหนแต่อยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร แต่ท่านเป็นผู้มีศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่แพ้องค์ไหนเพราะว่าอยู่ในปัดป่าเชตตะวันติพรพรองค์ก็มีพระภิกษุหลายร้อยรูปร้อยร้อยหลายร้อ ย, ห ล, ยหลายพันรูปอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแต่วันหนึ่งในช่วงหนึ่ง พธีรท่านนี้ชื่อพระติดสะเธระพระติดสะท่านมีท่านเป็นอาพาธท่านป่วยอันดับแรกกเหมือนเป็นผื่นคัน เ, เป็นผื่นคันในร่างกายเหมือนกับเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนเป็นพดผื่นคันต่อมามันขยายขึ้นไปเรื่อยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยที่แรกก เม็ดเล็กๆพอเป็นผืนต่อมาก็เท่ามเมล็ดงาอ่าต่อมาก็เท่ามเมล็ดใหญ่ขึ้นไปจนถึงมเมล็ดมะละกอมะเมล็ดข้าวโพดอ่าผลในสุดใหญ่เท่ากับลูกตูมลูกตาลเป็นฝีขึ้นมาทั่วร่างกายผลในสุดมันแตกใช่ไหมฝีตัว น, นี้ก็แตกไปหาตัว น, นั้นตัว น, นั้นก็แตกไปหาตัว น, นี้ใช่ไหมร่างกายกับมัน ข่าวไปหมดเนะี่ยทีนี้พระที่แรกกับพระท่านก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับพระองค์อื่นเพราะท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างที่ว่าท่านก็ไม่ได้ให้ไ ม, ไม่มีอัตเรกราบที่จะช่วยฉงเคาะอนุเคาะพระเนนในวัดป่าเชตวันอีกต่างหากท่านก็อยู่แบบสมถะของท่านแต่ท่านก็ป่วยก็ที่แรกก็มีพระ เข้ามาดูแลปนในบัตรภิกษุซัมาเอนเข้ามาดูแลปนในบัตรพอเข้ามาเห็นแล้วไม่ไหวเพราะมันมีกลิ่นขาวเหม็นคลุ้งไปหมดให้ใครๆก็ให้ใครของไม่อยากจะเข้าไปใกล้เกี่ยงกันพูดง่ายๆเพราะพระวินัยก็ยังไม่มีเพราะพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บัญญัติวินยัยอีกต่างหากใครเข้ า, าต่างโกลก็ต่างอยู่ลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นแต่ีน พราะพระไเจ้าท่านเสด็จประทับอยู่ที่พระคันทุกุฎีจวนสว่างวันนั้นพระองคอ์นั่งสมาธิตอนตีสามตีสี่ท่านมองดูสัตวโลกใครขาวามองดูในขอบจักรวาลแล้วก็ย่นเข้ามาจนถึงชวนพระองค์ว่าวันนี้จะได้ไปโปรดใคร ใครจะมีอุปนิสัยที่จะได้เปรยโปรดคือพระองค์มองไปแล้วถึงบางครั้งพระองค์ก็ต้องแสดงฤทธิเ์เพราะว่าคนผู้นั้น เ, เขาได้บำเพ็ญกิตตภาวนาแต่ทางวัดได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธจเจ้าเขาก็จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะนั้นท่านจึงเล่งยานดูสัตวโลกจรจวจสว่างใกล้รุ่ง ท่านก็มองดูเหมือนกับเปิดจอเลด้าลักษณะอย่างงั้นนะเปิดส่องดูโลกอวนเข้ามาวนเข้ามาก็ามาเห็นพระภิกษุพะระพติดสัตยระพระติดสัเข้ามาในข่ายคือพยานคือเข้ามาในจอเลดา้าท่านก็มองเห็นติดสัสนี่มีอะไรท่านอโอ้โหติดสะป่วยอาการหนักถ้าเราไม่ไปโปรดเขาเขาคงจะ ไม่ได้สำเร็จมากผลวันนี้เราควรจะไปให้ทำรมกับเขาในวันนี้จากนั้นพอ พ, พระโพธิงค์ตอนสว่างขึ้นมาก็ไปบินธบาตฉันพระตาหารพอฉันพระตาหารเสร็จแล้วพระสงฆ์บางกลุ่มก็เข้าไปกราบคารวะถามปัญหาเสร็จแล้วพระโพธิงศ์ก็เดินตะเวนตะเวนวัด อันนี้ก็พอพระ อ, องค์จะขยับเดินตรวเวรดูวัดพระ อ, อ น, นุนก็เดินเป็นปัตฉาสมณะคือเดินเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจา้าพระธองค์ก็เดินเดินเดินเดินไปแต่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าน่ยคือกุติพระติสัเพราะท่านรู้แล้วว่าพระติสะป่วยหนักจากนั้นพระพุท อ, องค์ก็เดินไปไปเห็นพระติสะนอนอยู่ใต้ถุนกุตนินานนอนอยู่ในเตียง พุทธองค์ก็ถามเอ้าติะเป็นอะไรพระติศข้าพระองค์อาพาธพระเจ้าข่าและมีใครดูแลไหมไม่มีพระเจ้าข่าเพราะข่าพระองค์เป็นผู้มีอติเรกราบน้อยไม่ได้รู้จักกับพระภิกษุสัมมเนนเป็นส่วนตัวก็เลยไม่มีพระอุปถากพระเจ้าข่าพราะพระองค์ก็บอกอไปอานนท์ไปต้มน้ำ นขนาดพระพุทธเจ้าลงลงทําเองและวนะอานนท์ไปต้มน้ำํำพระอานนท์ก็ไปต้มน้ําพอต้มน้ําเสร็จพอน้ําอุ่นใช้ได้เอ่ยพระอานนท์ก็ยกน้ํามาจากนั้นก็คงจะมีพระสงฆ์เข้ามาช่วยหลายหลายองค์ละมั่งทีนี้พอพระพุทธเจ้าเป็นคนไปทําแล้วเจากนั้นพระองค์ก็ได้ตักน้านําเำลากน้ําอาบสงให้พระ ติดสระพระอานน์กับพระยุงกับพร้อมกับพระสงฆ์ก็องพระยุงขึ้นมานั่งพระองค์ก็เป็นคนตักน้ําราดแล้วองค์หนึ่งก็นั่นเอาผ้าไปซักไปซักน้าน้ําร้อนน้ําเดือดเอจ็ดแล้วก็เอาไปตักรีบเอไปผึ่งไปตากเพื่อให้มันแห้งาจากนั้นพระอุดอมก็เป็นคนราดน้ําบนศีรษะของพระติดสะ อผ้าสงก็ส่งน้ำํำอาบน้ําให้เพราะมันมีปีฝีมีหนองมันเลอะเปื้อนเปิดเลอะเทอะไปหมดแล้วก็ใช้น้ําอุ่นอาเพราะอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าอที่มาพอที่จะเช็ดทําความสะอาดได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าอที่สะอาดมาพันเสร็จแล้วก็ให้ผ้าติดสะนนอนเอานอนลง ท่านนอนพอนอนเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังรู้ก่อนติดสะเธอให้ความช่าคันสนัยที่เราจะถามเธอตอบนะเธอว่าร่างกายสังขารนี่มันเป็นยังไงเป็นของเธอใช่ไหมว่าเป็นของเราของท่านของเธอใช่ไหมถ้าว่าเป็นของเธอเธอบอกได้ไหมว่าอย่าปวดอย่าเจ็บ บอกได้ไหมใบ ไ, ได้พระเจ้าค่ะถ้าว่าบอกไม่ได้อย่างนี้จะจัดว่าเป็นของเธอได้ไหมติดสะตวไม่ได้พระเจ้าค่ะนี่นั่ละบอกไม่ให้แก่มันก็แก่ใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังใช่ไหมร่างกายนี่ใช่พระเจ้าค่ะและบอกไม่ให้มันตายมันก็จะตายอย่างนั้นใช่ไหม dedans? ใช่พระเจ้าข้าบอกไม่ให้มันตายได้ไหมแต่ไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข่า น, นี่แหละติดสะร่างกายสังขารเนี่ยไม่ใช่ตัวของเราถ้าถ้าเป็นตัวของเราแล้วเราจะบอกว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายมันก็จะเชื่อฟังแต่นี้มันไม่ใช่ของเราน ะ, ะติดสะนะให้พิจารณานะ ให้ปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะติดสะตนะให้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังคือของไม่เที่ยนทุกขังคือเป็นทุกนะมันจะมีความสุขได้ที่ไหนมันขนาดเนี้ยสุขไหมเนี่ยไม่สุขพระเจ้าขานะ่าเนี่ยแหละสิ่งที่ที่มันไม่สุขมันเป็นอย่างเนี้ยมันทุกอย่างนี้จะเป็นของเราได้อย่างไรไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนะติดสันะพระเจ้าขานะ่อาอ้าว ดูนะพิจารณานะเดี๋ยวเราจะไปแล้วแต่นั้นพระพุทธองค์ก็ ห, นหัห น, น, หนหลังให้ไม่นานพระพุทธองค์หันหลังให้ไป่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงนี้ตัวอนจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็ลุดพ้นจากอาสวัคิเลสได้เป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะไม่นานท่านก็ปรินิพานนะท่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตายนะพระราหานึ่งเมื่อท่านมรณภาพลงเนี่ยเป็นว่าปรินิพานนะท่านไม่ได้ว่าตายหรือเมื่อท่านว่าไม่ได้มรณภาพท่านว่าจัดว่าปรินิพานพระาราหัสมรณภาพจากนั้นพระองค์ก็ได้ไประชุมกลับไปก็ประชุมสงเรียกประชุมสงดูก่อนสงทั้งหลาย วันนี้เราได้ไปพบกับติดสะป่วยอาพาธหนะักอยู่ใต้ถุนเราได้ไปดูปณิบัติพระสงฆ์ไม่ได้ไปเข้าไปดูเลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไปอย่าได้มีอย่างนี้เกิดขึ้นในศาสนาของเราตถาคตพราะพวกท่านทั้งหลายมาจากตระกูลต่างๆมาอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าผู้ใดใครผู้หนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วย ผู้นั้นจะต้องดูแลถ้าว่าคนคนนั้น เ, เป็นลูกศิษย์อาจารย์พระอุปชาองค์ไหนบวชให้เวลาลูกศิษย์ป่วยลูกศิษย์ป่วยอาจารย์ก็ต้องดูแลปนิบัติอ า, อาบน้ำให้เปลี่ยนผ้าให้ซักผ้าให้ถ้าอาจารย์ไม่ปนิบัติปรับบททุกกดหรือหรืออาจารย์ต้องหาคนเป็นตัวแทนของอาจารย์ให้ดูแลลูกศิษย์ของตนเอง ถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลปรับระบัติุกดในเมื่อครูบาอาจารย์บอกกล่าวให้ฉิดองค์ใดให้ไปช่วยกันดูแลถ้าฉิดองค์นั้นไม่เข้าไปดูแลปนิบัติปรับระบัติอีกเพราะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ในาศาสนาคตต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าหากว่าครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วย สิทยาฤทธิ์ิทธ์ทั้งหลายก็ต้องดูแลปนในบัติอย่าได้ขาดตกปกพ่องในเมื่อสิทธเจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์ก็ต้องดูแลปนในบัติลูกศิษย์เหมือนกันลูกศิษย์เป็ น, ปนิบัติอาจารย์เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะพึ่งตนเองไม่ได้ถ้าว่าผู้ใดก็ตามไม่ใส่ใจหรือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหนีออกไปขณะที่ครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วย หรือลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์หนีออกไปโดยที่ไม่ดูไม่แลปราบอาบัติทุกกฎโอ้อาบัตทุกกฎจุดนี้รู้สึกว่าจะมากพอสมควรเหมือนกันนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติจากนั้นก็พระองค์ก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในศาสนาของเราต ถ, ถาคตหนีจากพ่อแม่วงสาขนามญาตมาแล้วมาอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่พึ่งพาอาศัยกันแล้วพวกท่านจะอยู่อย่างไรผู้ใดก็ตามอยากจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุขให้นะพอนั้นครูบาหมอทั้งหลายนะพระหมอทั้งหลายนะนะนะนะเมื่อเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วให้จําเอาไว้คำเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระพระบาลีไว้เลย ถ้าว่าพวกเราจะปฏิบัติอยากปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติพระสงฆ์พระอาพาธที่ป่วยอาพาธพวกเราดูแลปฏิบัติท่านบุญอนิสง์อนิสง์บุญเท่ากันกับปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดก็เพราะว่าพระสงฆ์ท่านเป็นผู้มีศีลนะไม่ใช่พระสงฆ์ทุศีลนะพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถึงจะเป็นพระปูตุชนยังไม่ใช่อริยะชนเป็นพระปูตุชนแต่เป็นผู้มีศีลเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราดูแลผลิบัตรท่าน เ, เมื่อท่านหายป่วยหายไข้แล้วท่านก็มองดูโอ้เราในเหยียบเส้นแดงหนะ่อยถ้าไม่เลยเปิดแบบนี้เราตายแน่จากนั้นท่านก็จะเบื่อหน่ายคลายจิตใจของท่านก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส นันละบุญกุศลจากที่พวกเราได้ดูแลปนิบัติท่านจะเป็นบุญกุศลมหาศาลติดภพติดชาติไปนานเท่านานเพรนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีไว้ว่าผู้ใดก็ตามอยากจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไครอานิสง์บุญกุศลจะมากในการดูแลปณิบัติพระภิกสุไครผู้ทรงศีล นี่แหละจากนั้นก็พระองค์บัญญัติฟินัยเสร็จแล้วจากนั้นพระติดสระท่านก็ไม่นานท่านก็ปรินิพานรับสายตามพรุทธเจ้าไปเท่นั้นท่านป่วยนะอาการหนักท่านปรินิพานพอปรินิพานเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จัดจัดงานใช่ไม่ใช่จัดงานเา ก, กเลอกเกลิกอย่างเรานะปุบ ป, ปับก็หาตะแค่ ใส่ตะแคบไปแล้วกัผ้า พ, พันแล้วกัหามไปกัใส่กองฟืนแล้วกัไฟเผานะประชุมเพลิงเลยพอประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้าว่าพระติสสะได้ตายไปแล้วแลพระคาบองได้จัดการจรีละเรียบร้อยแล้วพระติสสะท่านตายไปไปแล้วท่านจะไปที่ไหนพระเจ้าขานะ่าเนี่ระสงค์ท่านก็ถาม ถามพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นพระท่านเป็นผุ้ติชนก็มีฮะพระติสัตถันมรณภาพท่า น, านาา ต, ตายไปแล้วจะไปที่ไหนพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกบุตรบุตรของเราปรินิพานแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายเอาอติธาติของติสัตนถะ์ไปปลูกสถูปหรือเจอดีไว้ในทางสีแพร่งให้คนได้กราบได้ไหว้บุญกุศล ที่คนได้กราบได้ไวาดอติธาตุของพระรหันจะติดพบติดชาติไปนานเท่านานได้กราบอติธาตุพระธาตุของพระรหันเพร่อนให้เธอทั้งหลายเอาอติธาตุติดสระไปไว้ในทางสีแพ่งคนทั้งหลายจะได้กราบว่ายศกราบูชานี่แหละกระดูกพระรหันในท่านให้ออกไปไว้ในทางสีแพ่งนะจะมาถูปรหาบุคคลสี่จำพวกอย่างที่ว่าน เพ่าพกระดูกอธิพัทธ์ของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระพรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าหนึ่งพระปเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระรหันตสาวกหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งนี่แหละพระติสระก็คือออธิธาต์ของพระรหัสถวมควรที่จะเอาไปไว้ในทางสีแพ่งนี่แหละคือพระติสระพระสงฆ์ก็สงสัยอีกว่าออื ทำไมพระพุทธเจ้าข่าขนาดบำเพ็ญถึงมรรคผลนผิพพานขนาดนี้ทําไมจึงได้รับบาปกรรมถึงขนาดนี้มันบาปกรรมอะไรจึงส่งถึงที่สุดถึงขนาดนี้ไปเจ้าข่าขนาดนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วทําไมบาปกรรมอาไหนที่ส่งเสียทำให้ท่าน บาปกรรมหนักถึงขนาดนี้ระเจ้าขาเนะี่ยพระพุทธองค์เอาฟังอันดีตกรรมของติดสนะเนี่ยติดสะเขาทั้งมีทั้งบาปมีทั้งบุญมีทั้งบาปและบุญเขาทำมาด้วยกันทำบาปรุ่ด้วยทำบุญด้วยใครค้าว่าไม่ได้เขาไม่ได้ทำแต่บุญอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวเขาทำทั้งบุญทั้งบาปเพราะนั้นบุญก็คือส่งให้เขาได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ บาปนั่นก็คือวิบากรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตวิบากรรมนั้นนำส่งให้เขาได้ป่วยไข่ยอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็ถามว่าบาปกรรมอันไหนในอดีตพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งติดส า, านี่เป็นพรานเป็นพรานนกแต่เขาเกิดในช น, นบทมีพวกสัตว์ป่าชกซุม มีกระรอกกระแตมีนกมอีอะไรพวกสัตว์ป่าแต่ติดสานี้เขาก็จับสัตว์ดักสัตว์จับสัตว์เป็นอาหารทั้งนกทั้งกระรอกกระแตทั้งพวกสัตว์ป่าเขาก็มีแร้วบ้างมีธนูบ้างมีตาข่ายบ้งางเขาดักสัตว์ทั้งหลายพอเขาดักสัตว์ได้แล้วเนี่ย อย่างนกเนี่ยได้มาแล้วเขาขายยังไม่หมดจับมาแล้วขายหมดเขาก็หักขามันหักปีกมั น, เ, นเพื่อไม่ให้มันบินได้เพื่อไม่ให้มันเดินไดเน้เพื่อให้เอาไว้ขายวันต่อไปพอขายวันนี้มันขายไม่หมดไม่มีใครซื้อคือเขาทาเป็นอาชีพของเขาใช้ชีวิตยืนนานยาวนานทีเดียวยคืออาชีพอย่างนี้ ตัวไหนที่ตายแล้วก็ขายําแหละขายก็มีที่ตัวไม่ตายก็หักแข้งหักขาไว้ก็มีเพื่อจะได้เอาไปขายเป็นอาชีพเลี้ยงชีพตนเองแต่พร้อมกันวันหนึ่งพระอรหันต์ท่านอยู่ในป่าอยู่ในเงื้อมผาจะอยู่ในช้อนผาในติดสานี่ก็เป็นโยมก็เห็นพระอรหันต์ท่านอยู่ในถ้า ฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนอย่างลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่พระท่านเทระท่านก็มาลงมาไม่ได้ท่านคงไม่มีร่มเล้วนก็ น, นั่งอยู่ในถ้ำนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำอยู่ด้วยวิหารธรรมของท่านแต่ติดสารในมองไปเห็นวันไหนจะเห็นแต่นั่งท่านนั่งอยู่ในถ้ำโอ้ท่านคงจะหิวอาหารท่านคงจะไปไม่ได้เพราะว่าฝนตกแต่ตัวเองเนี่ยไปได้เพราะมันเคยฟ้าเคยฝนพอแรงยแต่นี่อย่างพระ ท่านออกจากบินไปบินทบาทผ้าจีวรเปียกนะ่ยท่านจะไปตากที่ไหนเห็นที่ตากของท่านก็ไม่มีผ้า พ, พื้นใหญ่อีกต่างหากท่านก็เลยไม่ไปอดแต่ติดสารนี่เห็นท่านแล้วเกิดศรัทธาด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งในกิจใจกลับไปถึงบ้านพอทับกลับไปถึงบ้านก็เตรียมอาหารพวกนกพวกอะไรที่ตัวทําเป็นอาหารนะ อให้แม่บ้านเขาจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยก็รีบออกมาเพื่อไให้ก่อนเพนเพราะงั้นก่อนเที่ยงอาหารถวายพระท่านอยู่ในปน่าพอเขามาแล้วก็ถวายท่านโอ้พระคุณท่านกระผมได้นําถวายนําอาหารมาถวายพระคุณท่านก็พระคุณท่านรับเอฉันอาหารให้กระผมด้วยเทิดกระผมไดเอามาถวายแล้วเนี่ยพระเถิละท่านก็รับประเคน ก่อนที่จะถวายติฏฐะที่เป็นโยมพา น, นกในะสมัยนั้นนะได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญกับพระคุณท่านพระคุณท่านรู้เห็นทำอย่างไรได้รู้เห็นทำอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เห็นทำอย่างที่พระคุณท่านได้เห็นทำนั้นทุกประการด้วยเทิน แต่นี้ก็ถวายอาหารอ่าเพราะต้องถวายอาหารเสร็จแล้วพระอรหันต์นั่นก็ว่าเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของโยมจงสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาให้ท่าท่านให้พรท่านก็เป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกันท่านมองดูอดีตอนาคตว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตอ่าจากนั้นเขาก็ได้ทําบุญจนพระเทระท่านนั้น ฝนหายหยุดคงจะหลายวันอยู่มั้งจากนั้นท่านก็บินธบัตตต่อไปดักนั้นมาติดสาก็เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารรุ่มๆุๆ่มนรอนสูงสูงต่ำต่เกิดสูงว่างต่าบ้า ง, งใช้การรแต่พอมาพบในชาตินี้มาเกิดเป็นลูกกรุงสวัสดีออกบวชพอออกบวชก็ได้เป็นพระ จากนั้นก็เกิดโรคภยครัยไข้เจ็บโรคก็คือเนี่ยบาปกรรมตัวเองได้ไปฆ่าหักขานกบ้างหักปีกนกบ้างถอนขนนกบังบังไว้บังฮ ะ, ะบาปกรรมตัวนั้นน่ะเข้ามาให้พระติดสาร ใ, ใช้กรรมกรรมคือการกระทําเพราะติดสารได้ทํากรรมไว้อย่างมากอย่างหนักยึดอาชีพในการ ค่านกค่าสัตว์ป่ามาเลี้ยงชีพในชาตินั้นแต่บุญกุศลที่เขาได้ถวายพระประหารต่อพระอริยสงฆ์สาวกคือพระหรันบุญกุศลอันนั้นก็มากมายมหาศาลอีกเหมือนกันเพราะนั้นติดสะเขาจึงได้สำเร็จด้วยบุญกุศลนั้นส่วนหนึ่งบาปกรรม ที่เขาได้ฆ่าสัตว์ฆ่านกมาเลี้ยงชีพในชาตินั้นที่เขาเป็นพรานผ่านป่านี่แหละพระองค์ก็บอกว่ากรรมข่ากรรมเก่าเขากรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลตามติดตามเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนในหลักของพระพุทธศาสนา มาในพระไตรปิฎกที่ยกขึ้นมานี่คือมาในพระไตรปิฎกมาในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์เจดจประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระเถระที่ท่านได้รับบาปเคราะห์กรรมอันนอนดีตก็คือพระติดสะท่านก็เลยเป็นพระอาหารหันต์ท่านไม่แยแสแล้วท่านได้เป็นเศรษฐีแล้วท่านเข้าสู่ปรินิพานแล้ว ธาตุขันจะเป็นยังไงเขาเป็นไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าพวกเราถ้าว่ายังมีกิเลสอยู่ถ้าธาตาุขันร่างกายเป็นอย่างนั้นะอแต่ยังไม่ได้สําเร็จนั่นแหละปัญหาเกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะต้องได้ใช้กรรมอีกม ก, กุลเวียนอยู่ในวัฏสงสารหาที่สุดท้ายที่จบหาที่ยับยั้งไม่ได้นานเท่านา น, เ ท, า น, านเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะนั้น พวกเราทุกๆท่านที่ได้เกิดมาพบพกุศลศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของ พ, พระพุทธเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะบุญกุศลนี่แหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนให้พวกเราได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลต่อไปภายภาคหน้าถ้าคนมีบุญแล้วทําอะไรดีทั้งหมด ดูนสถานที่ใดก็ดีมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งใจด้วยแต่ถ้าคนมีบาปแล้วไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเรือดร้อนมีแต่ความทุกข์ในจิตในใจหาความสุขกายสุขใจได้ยากเพราะอะไเพราะคนทำบาปเพราะนั้นบาปกับบุญมันต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ วันนี้ของพ่อได้ยกเป็นเรื่องราวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อ น, นี้ไปก็นั่งสมาธินะตอนนี้นะเอาฟังเทศสักกันหนึ่งก็ได้นะเปิดเทปเอ็มพีสามสักกันนั่งสมาธิฟังนะตอนนี้นะ